นั่งให้กรรมสภาพเรารับได้นะจะเมื่อจิต <us> ซ้ายจิตขวาเอาตามพัยาใส่นะสมรรงกาเราแล้วก็สมรรถใจเราในเวลานี้เราจะทําใจของเราให้เป็นหนึ่งเดียวจะเป็นอารมณ์เดียว แราจะไม่รักแร้วนงนวานเองสิง่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วเราจะไม่เอาใจแต่กังวลกับสิ่งที่ยังเกิดขึ้นเรื่องหน้าที่ังมาไม่ถึงต้องอยู่กับปัจจุบันณเวลานี้ถ้าเวลานี้เราทำใจไม่ได้เวลาข้างหน้าเราจะทำได้อย่างไรเพราะเวลานี้หรือเวลาข้างหน้ามันก็คือเราวันอย่างค ถ้าตานนี้เรายังม า, ด, าด้วยกิเลสปัญหาเดินหน้ากิเลสปัญหาก็ยังคอบข่มใจเราอยู่วันหนึ่งข้าเวลานี้เราคลายมันเสียยึดบัดเทาตามเศร้าหมองซะบันเทาความอยากก่อนบันเทาอารมณ์ที่ยึดมั่นหมายมั่นในดินแดนนี้ว่ามันจะต้องมีความสุขอยู่อย่างเดียวเราไม่คาดใจที่ทําให้เกิดความทุกข์ เราก็ต้องวางใจให้เป็นว่ามันเป็นคันบาด า, ดาต้องเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างทั้งสิ่งที่ทําให้เราเป็นสุขและก็สิ่งที่สามารถทาให้เราเป็นทุกขเพราะนี้มนุษย์มนุษย์มีทั้งสุขทุกข์มีลาบมีเสื่อมลาบมียศมีเสืยย่อมยศมีสลรสื่อมและก็มีมนิทานสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะอ า, านาจแห่งอะไร แล้วก็ต้องตัดสินใจว่าเรามาเป็นมนุษย์แล้วไม่ใชเศียรดานังฟ้าที่พป็น เ, นเวยตามตุกโลกสวยเป็นของสิ่งที่เป็นบุญอย่างเดียวไม่มีอัปปะ ล, ละกัมหรือตามเชื่อทำให้ท่านต้องมีการคิดะระตุอร้ายใครนึทั้งกายวาจาและใจ ไม่มีการตามเุกข์มันเกิดขึ้นหน้าบนแดนนั้นหากท่านองค์ใดมีจิจตใจร้อนร้อนจัดจัดต่อไปเพราะความอยากทะเยอทะยานมากเกินไปก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ก็ต้องสติไปเกิดที่อีกที่นั่นอยู่ไม่ได้ัดนบนแดนสวรรค์ก็ดีพลเมโลกก็ดีนิพพานก็ดีแต่ดินแดนที่มีแต่บนต่ายเดียวบาาไม่มี พราะกก็ม um, ีแต่อุตตรและการเสิ่งที่เป็นบาปให้ผลอย่างเดียวบุญไม่เกิดแต่โลกมนุษย์มันมีทั้งบุญและข้าบาปเราต้องทำใจเข้าใจและก็ยอมรับตามสิ่งว่าเราไม่สามารถจะกินดีในสิ่งที่บุญให้ผลกับเราและเราจะไม่ชอบใจในสิ่งที่เป็นบาปให้ผลกับเราต้องคิดว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอหรือเราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับเรา แต่เราก็ต้องอยองรับกฎของความเป็นจริงว่ายังดนมนุษย์เราต้องสวยทั้งสิ่งที่เป็นคามตกที่บนให้ผลเราต้องสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ในสิ่งที่บาปกรรมตามชั่วที่เราได้กระทําในอดีตชาติก็ดีในชาติป present ก่อนที่เราจะขันใจละมาดระทึกปฏิบัติตั้ง ใ, ใจที่จะไม่เียอมได้ใสกเกิดอีกต่อไปในเวลานี้ เราก็ตัดสินใจว่ามันเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีิตของเราเวลาหนึ่งกำหนดตัวเองว่ะเราสมาทานกินแล้วเราไม่ลืมมาว่าเราบริสุทธิ์แต่เราต้องเชื่อตใจเราเองว่าเวลานี้เราไม่คิดและไม่มีเจตนานะไม่มีความตั้งใจไม่ตัดสินที่จะคิดจะทุกข์จะรายให้ใครตั้องตาไม่ว่าเป็นคนเลือ เวลานี้แม้แต่นิดเดียวเราก็ไม่เคยคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของใครเวลานี้เราไม่คิดที่จะไปต้องการไปยืดอแย้งความรักของใครและเวลานี้เราก็ไม่ต้องการที่จะใช่วาจากของเราไปเบ็ดเย็นบัวคนอื่นทำลายประโยชน์คามสุขของเขาเพื่อประโยชน์ของเราเวลานี้เราก็ไม่สนใจที่จะไปดึงสิ่งที่เงินมาทำลายปติสัมปทัญญะของเรา เป็เป็นเวลาที่เราตั้งใจว่าสิ่งที่เป็นติณหประการก็ดีควบกับจามบดติดก็ตามเป็นตามบริสุทธิ์ของใจเรานขณะเวลานี้เวลานี้เราบริสุทธิ์ด้ตามตั้งใจดีที่ไม่คิดหยุดเป็นอะไรกับใครเรามีตามคารมกินในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง เราจึงตั้งใจไปคิดปฏิบัติเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสมีเหตุมีผลในชีวิตขอเราได้พบตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสมาแล้วทั้งสิ้นเพียงแต่เรายังขาดสติสัมปชัญญะที่จะยอมรับนักสื่อในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือม่บางครัง้งเราจะรู้ และเข้าใจแต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับใจตนได้เดาจึมีความ ร, รักนักรักศรัทาต่อพระพุทธเจ้าที่สรงชี้แนวทางให้เราได้เห็นความสว่างคือความตกในเบื้บนนงองนี้และเบื้องหน้าจต่ถึงใจตามนี้เลยแต่ว่า เป็นเพ่อพระพุทธเจาตรัสไม่มีอะไรคิดความจริงก็คือคามจึงซึ่งพระพุทธเจ้าก็ต้องไม่เห็นเช่นนั้นเราไม่อวันนี้หรือวันหน้าก็ต้องเห็นเช่นเดีวยวกับที่พระองค์ทรงเห็นแต่เวลานี้เราอาจจะเห็นไม่ครบแต่ก็เห็นแน่นว่าเราต้องตายและความตายก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรถ้าความตายเกิดขึ้นกับเราเดี๋ยวนี้บนบ่า นันก็จบตรงไปเราจะเอาใจพระเราสวยสิ่งที่เรียกเป็นดุลโดยฝายเดยวเพื่อเราจะไม่ต้องกลับมาทุกข์อย่างนี้ต่อไปอย่างนั้นเวลาเราก็ได้นึกถึงข้าพระพุทธรูปตรงใดองค์หนึ่งแ่แต่ว่าร่างกายมันจะเป็นเส้นใดมันก็หลุดเ่องไม่ได้คือกฎของธรรมดาแต่เราไม่ได้ยินดีจะเปมนอย ร, นร่างกายเวลานี้ ยินดีที่จะไปในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงประทานชี้ให้เราได้เห็นว่าสวรรค์พรหนิพพานเป็นยินดานที่มีตามสุปรารักษ์ใจาลเราอยู่แต่ถ้าเราไปเพียงแค่สวรรค์มันเป็นว่าสนาบารณีแล้วก็ต้องพลาดมาเป็นอย่างนี้อิกมาตัดใช้กรรมจิตไเป็นตรงแล้วก็ต้องมาใช้ใช้กรรมอย่างนี้อีกตัดสินใจแน่ว่า เราไม่ต้องการประเวนได้ไปเกิดหน้าดินแดนใดๆที่ต้องย้อนกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ติงเดีที่พระพุทธเจ้าทรงได้เห็นแล้วคือแดนอมตะที่ไม่มีคําว่าตายไม่มีคําว่าเคลื่อนไปไหนสุดติที่นั่นแล้วก็โยู่ได้ตลอดการตลอดสมัยที่เราเรียกกันว่านิพพานนั่นเอง ด, ด้วยถึพระพุทธเจ้านล้วก็ตั้งแต่ภาวนา นะนัมระพัก็ได้เดียวเราจะตึกถาเป็นยาเล็กกัน อันละขเ็เจตทั้งไหลายมีตั้งใจฟังเราเราจะนำใจของโธอเพื่อไม่มีมความตสงสัยในอันนี้ว่มามันนั่งกวนใจเราเวลาดนี้แต่เรามีใจที่เข้าใจในความเป็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้า เปควา ม, ม่าแน่นอนเป็นแบไม่เป็นความไม่เคื่องคือแม่แน่นอนอะไรกเกมของมันไม่มีใครเปลี่ยนแปลงควาว่าแม่นแน่นอนให้เป็นสิ่ที่แน่นอนได้นั่นเราจะอาศความตั้งใจตามอยากคาต้องการตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าเช่นใด ก็ไม่อาจจะไปผลในกดเกณฑธรรมาดาที่มันไม่ใช่เราใจเรายังสามารถที่จะเปลี่ยนใจตนเองได้บังคับใจตัวเองให้สงบได้บังคับให้มันคิดพลังน า, าตามเราก็ได้สงนอกเหนือจากใจเราแล้วเราไม่สามารถจะไปบังคับสิ่อองใดไปทำให้สิ่งบางอย่างนั้นเป็นไปตามตามปรัชนาของเราได้ ยังไม้มีคาถาดอกไกดไม่มีสิ่งตัดติที่ไหนที่จะทาให้สงเหานั้นปรากฏได้เกินกของกรรมทุกชีที่เกิดมาบนโลกใบนี้นจึงได้ดำเนินไปตามกของกรรมแต่ให้มามีตามรักตามการดูจังมวะก่บุคคลที่ทรักและศัทธาเล่นใส เราก็ไม่สา ม, มารถที่จะไปทําให้บุคคลผู้นั้นเป็นไปตามที่หลักปัญนาเพราะบุคคลผู้นั้นก็มีการเป็นของของตนเราก็มีการเป็นของของเราทุกคนก็ดําเนินไปตามกฎของกรรมที่ได้กระทากันมาเนี่ยแต่อดีตจะต้องเจ็โปยให้มีสบายมันก็เป็นการมตัดปัญหาที่บาดจะต้องเจ็เสียทรัพก็เป็นการจัด ก, การรักทรับย์มาในอดีตชาติการก่อน เราต้องมีกรรมกับคนที่อยู่ใกล้ทิดในผู้ปกครองที่เราต้องปกครองตวคนหลายๆนั้นด้วยด่างวายาสามาถ้ า, าเรากำลังมักมากใน ก, การมบุคโดยเฉพาะไปเตือตนยิง่งกับตัคนที่เามีเชร้อาเปต้นลวล า, า, าจะอะไรจะกล่าวอะไรลงไปก็าหาความเชื่อมั่นเชื่อถือในสิ่งที่เราพูดมั่ก็เป็นหตุแห่งเราไม่เคยไม่เคยได้กล่าววาจาที่เป็นจริง บางครั้งอาการร่างกายของเราก็จะมีอาการมึนเตะติสตาปั่นกันแย่ปฏิสัดัติันยัตไม่ค่ยจะดีมันก็เพื่าทำให้เราเคิดินเวลาเมื่ไรก็ดีหรือยองสงสารไม่คนตื่นก็ดียันยงเพื่อกนตื่ก็ทำก็ตามมันก็มีสลทำให้เกิดกรรมในภาติตปสุดันที่เราเป็นมนุษย์ตลอดทุกชาติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นอย่างนี้ก็ติดตามเหมนเราตามตัวเราไปซพื่อว่ากรรในยานแปดประการก็จะมียัาสักคำว่าตายเป็นยานที่เราสามารถจะใช้อย่างรู้ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแล้กทาให้ปัจจุบันของเราต้องเป็นเช่นนี้เพราะเหตุอะไรถ้าเราสามารถจะใช้คามเป็นทุกของจิตในยานแปดประการโดยเฉพาะ ยศากรรมุตไกยเราก็จะเป็นผู้ที่คลายความเป็นเู้ี่หนกในชีวิตมา น, นะคลายความตกเศ้าคลายความเขยหยนันเรียกว่าคลายกิเลสปัญหาได้คลายจุประทานได้ไม่สร้างอคติและกรรมต่อไปได้นั้นยานแตรการโดยเฉพาะยศากรรมุตไยจึงจเป็นยานที่มีความสาคัญ ทุกเจาทุกคนควรจะได้ศึกษาแล้วก็ฝึกใช้ให้อยู่ตามข้องตัวเราจะทำให้ยังยามเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องรู้เนี่ยรู้ถึงกรรได้อย่างไรเป็นเรืที่เราจะทำจะทำใจของให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราจดจ่อกับสิ่งเดียวตอนนี้จดจ่าเรื่องอะไร จะจ่าปที่พระพุทรูปเรานึกถึง อ, องค์พระพุทธามาตุทีเจ้าองค์ใดองหนึ่งทีจับใจเราแล้วกน็นึกถึงพระธรรมคำส่สอนในความเป็นจรงที่เราได้กระจกมาแล้วก็เป็นไปามที่พระพุทเจ้เตาตรัสทั้นั้นในโลกนี้มีสถานิสต อาความน่นอนอะไรไม่ได้เราไปยึดมั่นหมายมั่นในเสียงชืนเราคิดว่ามันแน่นอนเราก็ติดหวังกลับมาทำให้ใจของเรานั้นเกิดเป้าเจ้าหนองเป็นทุกข์และทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทุกกับมันตกกับมันท่านบอก็ต้องทอาลาปาคารหายไปซึ้นั่นก็สิ่งทว่าอาดุที่ผ่านมาแล้วจะไปฟ้าเอาอะไรกลับมา มัน urun, ไม่มีใเจได้เห็นแล้วอดีตของเธอมันเกิดขึ้นเพราะความชื่ออย่างไรไม่รบอดีตของเธอเกิดขึ้นเพราะเธอยังมากระได้กิเลสและก็ปัญหายังมากและุปาทานจะยึดมั่นใหม่มันว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นแบบนี้เสมอเธอไม่คิดชื่อมันจะเป็นตามความจริงว่ามันเป็นไม่ได้ก็มีมันไม่เท่าที่เราคิดก็มา และอคตลสารกรรท the the ี่เราทำไว้ด้วยทงกาวาจาใจเราก็ทันปเยอะื่อดีตที่เราทำมามันทําให้กรรมที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราเคยฆ่าตัดตัดจีวิตไปบ้างเคยลักทัพย์เข้าไบ้างเคยจิตลบจิตเหนือเข้าไปบ้างเคยโกงมั่งปิดบ้างเคยดุจรามือะไรบ้างเคยไปทุจริยบุตอนพืนคนบ้างอย่างนี้เป็นต้นกรรมต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้ผลหายไปไหน แา่อะไรมันจะไม่เสียหายพราะเกิดทุกข์ชาติกิเลยของเธอก็ยังมีเหมือนเดิมเกิดทุกข์ชาติปัญหาของเธอก็ยังกำเริบเหมือนเดิมเกิดทุกข์ชาติอุปาทานการยึดมั่นหนมั่นว่าที่นี่คือความจบที่เป็นสิ่งที่เธอต้องการต้งเป็นทีีตลอดไปเธอก็ยังยึดเสือสิ่งนี้เหมือนเดิมและเธอก็ต้องพลาดการทำอภิสุลกรรมเหมือนเดิม เป็นเรื่องที่ตามมาไปจริง ว, วะใ น, นอดีตที่ผ่าน ม, มาในาทางอาชาตหน้าไอ้ชาตที่ผ่านนะอวชาตนี้ก็ได้ก่อนที่เราจะมารู้ว่าควรจะทําอะไรไม่ควรจะทําอะไรหรืออะไรดีอะไรชัว่วหรือว่าเราไม่ควรจะเดือดเด่นกับคนใดจะเป็นคนเป็นโทษอย่างไรตอนหน้านั้นมราเป็นยังไงเราก็เป็นผู้ที่หน้าจะได้อะไรหน้าจ ไ, ได้ตามอย่าง น่า่ะเต็นต้องการที่มันถึงนั้นเป็นศุกถึงไม่เป็นศึกก็มีความโยนายามแสรงหามันมาเป็นยญาณคิดเหตุสิว่ามันเป็นความศึกหรือเปล่ามันไม่ใช่และสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเราไานมันมาเดี๋ยวนี้มันมื่อเราเห็นไหมบางอย่างมันอาจจะแข็งอยู่ด้าน มานกึงว่ายังเป็นสิ่งที่เป็นุก่อสร้างวัตถุธาตุทั้งหลายทเราได้มาตมันก็เสื่อมแล้วมันอเสื่อมรงเข้าจะเรื่อยๆมันก็รอเวลาหนึ่งมันจะทำของมันเราก็เข้าขนุนขนมเช็ดถูทความสะอาดเก็บเวลารักษาไว้อย่างดีแต่มันก็ไม่สามารถจะอยนะู่ ag э กับราได้ตลอดการตลอดสมัยน่าริษัท เมื่อเราทจริญากไปด้วยามยายาีเรียกว่าหามากแค่ไหนเรจะยึดถืออุปกรณ์ิญั้เป็นจุดเพียงใดจตดจบคืออะไรจุดไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่เจอได้หนึ่งมาเพงแต่จะไกลับมาในสภาพที่เคยเคยเป็นคือเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาด้วยกาลังของปัาปิเลตัณหา เหมือนเดิกลับมาด้วาดมั่นใม่่นนงนี้เป็นสิ่งที่ดูถนับเติเหมือนเดิมกลับมาที่จะกระทให้เกิดอกาลกันเกิดขึ้นกับเตเหมือนเดิม็นเ่ที่มันไม่หมออกไปจากใจเจริเกิดสิ่งนี้ทุกที่เกิดจากกิเลสทุกที่เกิดจากปัญหาทุกที่เกิดจากอปาทารในการยึดมั่นใหม่มั่น ทุกที่เกิดจากเธอที่ทำการอปจัลละกมไว้และก็รับผลนั้นตามทุกไม่เคยพ้นผ่านจากรใจของเธอไปเลยทุกชาติที่เได้เกิดมาเป็นนัเกิดที่เราต้องเปิดในที่เกิดแล้วต้งมาเป็นยังนี้ที่พระพุทธเจาวัดสักให้หลายเกิดมาเท่กันมีการเป็นเพื่อกเนิด มีการมไปตามเขา่าตามพันมีการมเป็นพี่อยู่ทุกอย่างไม่ดาเนินไปตามกฎของกรรมกรรมที่มาจัดในเราเองที่จะมงมองเป็นตามทุกไม่ครบที่ผ่านมาทุกทุกชาเป็นอย่างนั้นจะเลิกเป็นเพระรุทองค์นะมีแต่พระพระุทธเจ้าทำนี่นแหละที่เป็นเ่อง ที่ผมให้เราได้เห็นทางเดินว่าเดินทางนี้สือลู ก, ลกเดินไปทางนี้ปฏิบัติตรงนี้มั่งปฏิปทาในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทา ง, างนี้นะลูกตั้งใจอจะได้เด็ดเป็นลงบนดวงด า, ยยางนั้นจะคนรักษาจะตั้งใจรักษาจิตให้ครบเครื่องมีภูหายนุชเข้าไว้เราจะอยู่รล่มโลกกันอย่างมีความสุข ใจสงบรละลักมี า, หารหน้าตาการเส้นขณะหนึ่งเวลาหนึ่งก็ดีจิตใจของเราจะได้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราว่าทำไเราเป็นทุกข์นะอะไรที่ทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าตามราเริ่มสว่างขึ้นความสงบมะลักมีวนหน้าตาการเกิดขึ้นนะความรู้ยิ่งความเข้าใจยิ่งก็เกิดตามมนาะถ้าเราสามารถจะเห็นว่าอ๋อนี่ พเรานอยากในสิ่งทไม่แน่นอนเราไปยึดถือกับสงที่นันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแเราจะเป็นทุกขในทุกส่งสิดแล้วเราไะยึดถือกับมนตั้งอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยที่เราก็เผอตามไปาเลยตลอดเราเป็นทุกทุกยย่ทุกติดซ้ำซาำจั๊กจั่งอยู่ในอย่างนี้ พระพุทธเจ้าทรงัดการทำอย่างนี้อสลยปฏิบัติอย่างนี้แ้วเราจะพ้นทุกข์เมื่เราเป็นผู้ทนงเห็นบริสุทธิ์งงทรสมาธิตั้งมันมีปัญญาแจ่มแจ้งแทนตลอดเข้าใจเห็นตาเป็นจงอย่างครบถ้วนเราถ้าจะเป็นผู้ที่้นทุก อ, อย่างถาวง ต, ตลอดการตลอดสมัยไปหาพระกันนะไปหาพระผู้รูดด้ผู้เตืนผู้บดบาง ไปห า, าพระเพื่อชี้ในาทางเราให้พ้นเดออกจากกองทุกข์ไปกราบโยธาพระพุทธใหญ่ที่เป็นน้าพระไตเมาตร์แต่เราทั้งหลายใด้เดินทางเดินความพ้นทุกที่ไม่มีบุคคลใดมาชี้ให้เราได้เห็นได้ง่ายและก็ยังไม่มีบคุคคลใดที่สามารถจะกระทําิ่งนี้ให้ครบ ท, ทางแห่งความพ้นทุกข์นอกจากพระพุตธเจ้าแล้วยังไม่มีใครได้กระทําิ่งให้เกิดขึ้น เขาพตจองจเนเ็จผนะูบอกคือี่นะให้หมดกันทั้งหลายที่มีจิตใจเลื่อนใสในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติพากันละพากันติดผนจิตใจของันจนเป็นพระอรยิยะตัคนโดพระศาสนาะมากมายเราปได้ถาแต่ไม่ถึงองค์เพื่อเาจบรมศ า, ษ า, ษาสตรนจารสมาลัยของพเ จ, จ้าเอาใจที่เราไปตามบลิุินะ ไปข้อหาพรพุทเจ้ากันถ้าเรามีคามรู้สึกภายในใจของเราณดนะินยานที่ระพุทกเจ้าสรงประทับยู่เป็นดินยที่เพื่อบสุดเท่า น, น, น, น, นั้นจึงจะมาได้เราเองก็ต้องกล่าววาจาว่าเราโดสุดแล้วหนอะราสุดด้วยการไม่อยู่ตามต้หมองเราโดยสุดจากเนใจเราไม่คุก เ้ราะารความประโยชน์ยามอยากได้เวลานี้เราไม่มีความเข้ใจเพราะการยึดยมัม่นหมายมั่นในสิ่งใดว่าเป็นความตกแล้วเราวางมันไปแล้วเราได้ปล่อยมันออกไปแล้วเราไม่ต้องการสิ่งนั้นก็คือความตกของเราแล้วตอนนี้สิ่งที่เราต้องการเก็บเกี่ยวคือกันไม่กลับมาเกิดจตคืออาโกเจริาาจะละการเวลานี้ก็ไม่สามารถาจะมาคลองแกเราได้ถ้าเราไม่ต้องการจะกลับไปทุกิ์อก แล้วก็ไม่ว่าเราบริสุทธิ์ไหมาาการบริสุทธิอย่างนี้ทําให้เราสามารถเข้าหาพระองค์ที่พริพพานได้ไหมถ้าเราเชื่อมันแบบเด็ดแนบเวลานี้นะแพ่ถ้าเวลานี้เราไม่มีความคิดใจเศ้าหมองกับสิ่งที่เราไปยึดถือมั่นหม่ยนัน่นว่าสิงนั้นจะดีต้นหนักเราอีกแล้วเราเห็นแล้วว่าเดี๋ยวเราก็ตายเราเห็นแล้วว่าเวลาทุกทุกอย่าง เพราะาเาเปนแบบความโเลยมากคือแบกความทุบข์เลยมากทุกข์กามอยากเราก็แบบมืนแบกความอยากจนใจเราทุกข์แล้วทุกข์อีกพอเราพยายามรับมืตามทุกข์กอะไเราทุกข์ไปอย่างแบบอุปสรรด้วยการยึดมั่นหมายมั่นเอาไว้ว่าสิ่งนี้จะเป็นผู้นำทำให้เราเป็นสุขแล้วก็แากมันไว้นานแสนนาน เดีย๋ยวนี้เราไม่มองไม่เห็นแล้วสิ่นี้จะทำให้เราไปติดอีกแล้วเราไม่แบกมันแล้วตัวใจสองมนุก่อนเราบริสุทธิ์นตัวที่จัมนักายของเราแข็งไสไหมตัวเด่นใจของเราคิดว่ามาันชื่นชื่นมัมีความเะ็นหวังขึ้นมาในใจเราไหมรู้จุดได้ไหมรู้จุดใจของเรามันจิตสลักั้มโปรงสบาย ถ้ายังรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้เจ้ก็ต้องย้อนพิจารณาใหม่ว่าทุกข์ชอบไหมสิ่งที่ผ่านมาทั mes, ้งหมดในอดีตที yourself, you you yourself, you yourself, you um, you ่ผ่านมาในสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเป็นสิ่งเดียวนี้มันสุขหรือว่าทุกข์ทั้งๆสิ่งต่างๆนั้นมันก็อันตรธานหมดสิ้นไปแล้วไม่มีอะไรจะเหลือแล้วแต่ที่มันทุกทุกครั้งในอดีต มันพุกพวเราโน่นอยางนี้ใช่ไหมเราลองคิดดูจรงๆตันั้นมันต้องน้านอนต้องเที่ยงเสมอตังนี้นามาขึ้นตามตุกเสมอมันจะต้องไม่หายไปไหนมันะต้องฟ้องอยู่กับเราตลอดไปเดี๋ยวนี้เราคิดเหมือนานไหนก่อนหรือเปล่าคิดเทียร์ฆ่ากัตว์เหมือนคนไหนก่อนไหมคิดอยากจะรักักตัวหรืติดเหนียวใครไหมโกหกเเใครไหมคิดอยากจะเดินเวลามวยลายตะไคร้ใช่ไห มันก็นไงก่อนหรือเปล่าแล้วก็ถามใจของเราแบบนี้ว่าฉันไม่คิดแล้วฉันไม่อยากทุกข์อแล้วตามทุกมันต้งเจ็บปวดเรียบร้ายในใจของเราเรียกเกินมันต้งทรมานใจยิ่งเใเร่วงใดๆเพราะตามทุกมันมีมากมายนะตราบใดที่ไรอย่างเป็นผู้ที่เต็มด้วยความโง่เขาดอกปัญญา ทุกมันก็เต็มใจเราต่อไปตักอยู่ในใจของเราตลอดเวลาชาติหน้าถ้าเรายังไม่แบบนันอิบเราก็ต้องแบกทุกเข้าไปติดพอไหมถ้าเราพอจแล้วไม่ต้องการจะไปทุกกรรมอิจต่อไปแล้วเ ข, ข้าไปใกล้ๆพระทันทนะ ฤทธององคระเจาจากะดาสัมมาสัมพุ จ, จ า, า, า, า, านัาเข้าไปกราบเจ้าพบาทงองค์พระเจ้ากำลังในโลกกันได้แตวามรู้สึกในใจของเรานี่ยแหละถ้าเห็นได้ก็แล้วไปไม่เห็นก็ไม่ต้องมากังวลใจเอาตวามบริสุทิของใจเรานี่แหละเป็นที่ตั้งเราไม่ได้กราบพระองค์ด้วยตามหนาแน่ น, น, น, แแนได้วยสิหยาาแต่เรากราบพระองค์ด้วยใจอันมีความตักพาเลื่อมใสในสิ่งที่องค์รงสอนแะจึง สิ่งกี่ผ่าน ม, มาของลอกทุกเดือนเกินในอดีตที่ผ่าน ม, มาทุกเดือเกินแค่ชาตินี้เราคารับรู้ได้ว่าเราทุกข์ไปมากมายถึงแม้มันจะหมดพ้นไปแล้วมันผ่านไปแล้วก็ตามแต่ถ้าเรามังงวแบบนี้อามาคร ด, ดนหน้าแล้วก็ต้องไปทุกข์ติดทุกชาตินี้เราพอตายไปจารย์ตนตนมันก็จะไปทุกขอาชาติหน้าต่อไปอีก ถ้าจิดกอเราบริสุ์อย่างนี้มีความรู้สึกทางใจบ้างไหมถ้าพรพุทธองค์ระหว่งจะไหวมีบ้างหรือเปล่าแต่รู้สึกใจของเรามีกำลังไหมตรงเป็นอารมณ์เดียวไหมไม่มีความคิดเก็นใจเข้ามาปัดเปียในใจให้เราต้องการมากไปตอนนี้แล้ว ตามที่ปรือ่องอยากโน่นอยากนี่กระสับกระสายคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในใจเรามีไหมถ้าไม่มีเป็นอารมณ์เดียวเราก็สามารถสังขวาวรู้จักาแ้ะบบิดพนิพานได้ในยาอตจารย์ใส่วดนใดๆก็ตามที่ข้ารู้จักาด้วยกการเป็นมนุษย์ แล้วเบญญาเหล่านี้มันก็เป็นเบญที่มาจากปัญหาของข้าพเจ้าสร้างยังสร้างความทุกข์ใเกิดข้าพเจ้ามาทุกทุกชาแต่ชาตินี้เบญของข้าพเจ้าไม่ได้หวังสสผลตอบแทนจากสิ่ในใดๆไม่เลยอยากทําบญเพื่อการเกิดแล้วแต่กระทำเพื่อการไม่กลับมาเกิดจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่ได้กระทำเบญทุกท่าทุกท่าทุกท่าที่ผ่านมา เคยทำมากกว่านี้ทาดีแต่ท่าม่อีกมีโอกาสมากกว่านี้อีกก็ทาได้เยอะกว่านี้อีกแต่เราก็ยังมากก็ด้วยความโมกเขาบอกปัญญาอย่างคิดว่ามันเป็นความทุกข์ไม่นำมามร้าตความทุกใจเราแต่ในจักัวาลนี้เรามองเห็นความทุกข์ในตัวเราควาทุกข์เห็นคนอื่นกำลังยุ่งวายในจิตใจเป็นเดิมนต้นควก็ทุกข์ทุกทุกคน เขาเพลินใจว่าเขาได้ทำแต่ความจจิงดีใจได้เวลานั้นเขาก็ทุกเหย่างเกินแล้วกามดีใจมันก็เกิดด้วยตัวขณะเวลานั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็จะไสร้างมันใหม่เพราะคิดว่ามันคือความดีความสุบอย่างนี้ที่เราได้รับมันเป็นเพียงเศษเครื่อง้นลุ่มความจบนะใครจะมาเชื่อความจบที่เจอได้มาเพราะเขาผิดจลาด คามสุขทเกดได้สงบลงตาปราดจากปัญหาเชี่อกันไม่ติดเลยเวลาเชื่อกันห น, นักติดหนึ่งเวลานึงของเธอนี่ยแหละมันมีค่ามากกว่าใจของเธอจะใจจดใจจ่อการทาบุญทาบุญทาบุญทีญท่พระพุทธเจ้าพระอุปปัมาแลบรบารมาจารย์สรอุปปมเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้ว่าการเสดตัข้าวใสบาตรภาเป็นขันหินทะลุมันไม่ใช่เวลาน้อนย ตั good, good, good, so ้งใจทําท so ุกยันทุกย so ันทุกย like so ัน็นข so ันหินทะลุท่านอยากจะไปเสียดเช็เลยกับบุคคลที่มีจิตว่างจักเกลเอชุกขนาดจิตหนึ่งเวลาหนึ่งเป็นเปียงแค่ท้างกระดิกหูหเปลียนขั้นหูมาแล้วถึงตามระนัดดับซึ่งตามวุ่นวายในใจเวลานั้นซึ่งปัญหาเป็นตามจุกอย่างยอดยดินถ้าเราสามารถจะทํำตามจุดจานนั้นเสกิด ขึ้นไปส่ตัวตลาดการตลอดสมัยเราคงจะพอใจจ็บหมแต่มนุษย์มันก็ทำไม่ได้เต็มเมเต็มหน่อยอย่างนั้นเราจึงปราชนาวะนเดนนจทีไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปเราคงจะเลวยอารมณ์ความสุขได้สังนตลอดการตลอดสมัยซึ่นันหที่เดียวที่เราลังกราบพระพุทธเจ้า อ้ต่ว่าบุญทั้งหมดที่เลิกไดกระทำมาในอดีตชาติจนถึงดัชนีมันเป็นตามฤทธิ์เิดเจ้าพลุนะแต่บุญที่เกิดจากการละดัดซึ่งรู้วันเั็นห้าประการคือบุญแห่งพระกรรมฐานในอดีตชาติเลิกกระทำมามากมายแต่ก็ยังไม่ท่าบบุญที่ทรากประพฤติได้นะซึงจตัวเรียห้าประการจะสห้าไม่ปรดือดริ้นใคร ยิ่งที่ข้าพุทธเจ้าจะรักษาสิ่งห้าได้ครบถ้วนสมบนรณ์แล้วก็บริโดนในอดีตชาติแม้แต่ชาตปัจจุบันดินด่งที่ข่าพุทธเจ้าเปิดทำามตามขเข้าใจในตามเป็จนจรงในสิ่งที่เราเป็นประการว่าไม่มีอะไรเลยที่ข้า พ, พุทธเจ้าจะเอามาเป็นตามตกลได้เลยไม่มีอะไรเลยที่ใจหวังสิ่ง น, นั้นจะเป็นของข่าพพุทธเจ้าได้เลยนอกจากใจของข้าพุทธเจ้าอย่างเดียว ในอดีตที่ผ่านมาเราได้ติดตามพระธรรมเทศนาจากองค์เสด็จพระสัตรุดจะมาสัพุทธเจ้าองค์แล้วองค์เล่าเราไดรละนะัดดับเส้นคามรว่นดาในใจได้และเคยเข้าใจในสิ่งที่องค์ตรงสอนแต่เรายังไม่เคยตัดสินใจที่จะไม่กลับมาเกิดเลยเดินเหละนะ่านั้นเป็นเดงที่มีอาณาสงสูงเป็นจากการตัง้งธรรมเปจากการที่ละนะัดซึ่งมีวราประการแล้ว ออนุญาตแห่งเดินที่ท่าพระพุทธเจ้าได้ทามาทั้งสิ้นตั้งแต่อดุจะามาถึงสัตยดังจมรรมตัวกันขอได้จงปรากฏป็นิขิตเครื่องหมายให้ท่าพระพุทธเจ้าได้เห็นอย่างม้อยถ้าจะเป็นดอกไม้แก้วเล็เียงแา่แก้วหรือจะเป็นใบสีแก้วก็จะแต่กาลังใจที่เจริญุกย่าเนี่เป็นสิญญสุขอด นำสิ่งนี้แหละเป็นนิมิตเครื่องหมายจงใจลราที่ปรากมืทั้งสองรองรับไวจะนำาแห่งความตั้งใจที่ด้จะทําวามเพียรมาในอดุจข้าการก่อนเพราะจึงรวมโักันในนิมิเครื่องหมายที่าพระพุทธเจ้ากหนดไวจนถึงระกายสว่างส ว, วัดเนจงสาการเป็นจริง จะอัดราด้เถล้วราจะเจ้าข่าแล้วเรก็ยกขึ้นมาเพื่เห็นเนื้อจิตตเราทิ้เรานี้ไม่อาจจะมีค่าเทียบเท่าพระแม่ตาบารมีองค์เจ้าพระจุนนาสีบารมีศถาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงได้บำเพ็ญบารมีมายาวนานเหลือเกินตรงนี้รวมทุกทุกอย่างสายสาหัสตากัน คงได้วิจาริสาหะที่จะค้นหาบุคคลธรรมคือธรรมแห่งความเพลนพุทธทางแห่งความเพลนทุกธให้รักษาให้จงได้เร่งนี้มันน้อยึินักที่ขพระพุทธเจ้าหนุ่มที่จะทูลถวายพระองค์พระเดชพระจินนายูรรมม า, าศาสกระดาษดูษาความดีของพระองค์แต่ถ้าพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจว่าทุกวิญญาณจิตตนนี้เป็นต้นไปจะพยายามรักษาสํารงกายวาจาใจ ไม่ให้มันมี็นโทษกับตนเองและก็ไม่ให้เป็นโ้ษกับบุคคลอื่นจะพยายามระมัดระวังจรองรวมอินทร์สังวรไว้ไใวนใจเราเสมอเป็นไดเพ่อเป็นข้อวักปฏิบัติตที่องค์งเป็นพระองประยับดูโสค่าและครูบาอาจารย์สุดกันมาในนักปากรักษาลุงโคนและพระบิดหลวงพ่อราสมัมาอย่างเป็นที่สุดที่ราอาไสั่งสอนข่ า, ขาพระพยยุทธเจ้าไว้ข้าพระพุทธเจ้าจะถือเอาสิ่งนี้เป็นของที่มีค่าสูงสุดในชีวิต จะนำเอาาประพฤติตบิณด์ิดอย่างแข่งครับจะจริงจังตลอดไปจนไปจะเึ่นอายุขยัยโดอพระฤๅษีน้อมเอาสิ่งนี้เพื่คุณบูชาสวายแต่องค์พื่อพระจอการบรมศาสาร์พระดาให้จนได้โดยจะเอามักขนมาบูชาพระองค์โดยจะเอาอารักัาขนมาบูชาพระพุทธเจ้าโดยเอาเตาของข้าพระพุทธเจ้าให้ถึงจุงดนาน ม, มาบูชาพระองค์ให้จนได้บูชาต่เพื่อนพระคุทั้งหลาย ขออนบารมีองค์เสด็จพระจอมรมารสาสดาดุสิตรัตน์เป็นของพระพุทธเจ้าที่แปมาเป็นเพกเจนแพ้แก้วก็ดีเป็นบอกไม้แก้วก็ดีเป็นใ้สูแก้วก็ตามที่มรัตนูแสงสว่างสวยขอนน้อมเวาองค์เสด็จพระจอมรมาราสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทพระองมีเจตุมรมาสาสดาเป็นประธาน เปลูกขอนอบน้อมโดยตาตามโดยของพระประเจรกับพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งมากคาดนัดเพื่ทาพระพุทธเจ้าได้เกิดขันในสมัยที่พระประเจรกับพุทธเจ้าอุปบุกรขึ้นในโลกแด้มีโอกาสได้คำบนกับพระประเจรกับพุทธเจ้าเป็นโอกาสได้ฟ so ังธรรมจากพระประเจรกับพุทธเจ้าทั้งหลายขอได้โปรดเมตตารับเครื่องสักการะแห่งข้าพระองค์ด้วยเถิดแลพระพุทธเจ้าค่ะ และก่อนนับน้อมเยชาตามดีของพระอริยะสาวกขององค์เสด็จนาสู่บรมายาสจาทุกทุพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้ า, าองค์แรกจนถึ ง, ถงองค์ปัจจุบันท่านทั้งหลายที่เป็นอริยะสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนับน้อมเยยชาตามดีของทุกๆท่านทุกทุพระองค์ท่านที่มีน้ำพระทัยเมตตาจงข้อข้าพระพุทธเ จ, าจ้าตักเตือนอบรตสังสอนมาทุกทุกช ขอได้แต่ละเพื่าางองสกอาล่าแห่งข้าพระองค์ด้วยสิ้นแล้วท่านจะนักน้องโดยชาคุบาอาจารย์ทุกๆกท่านที่อบรมตังต่งสอรามาไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดใดแล้วก็ท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราทุกๆกท่านที่เคยทําให้เราได้มีความตุกทรงสังขารร่างกายนําร่างกายที่มีอวัยวะใส่ทุกางครบเครื่องอย่างนี้ได้ มีโอกาสได้ไปพึกปฏิบัติเอาหูไปฟังธรรมเอาตามองสิ่งที่เป็นเด่นเป็นกุศลเอามือไปหยุดยั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองและคนอื่นเอาเท้าเดินไปแสดงหาความสุขประโยชน์ต้นตามทุกสิ่งทั้งหลายทั้งตรงท่านให้ตาของพ้าเลี้ยงโดยข้าพระเจ้ามาเพราะดูตาตามโดยของท่านพ่อท่านแม่ทั้งหลายแล้วก็ท่านปู่ท่านย่าคนและเสวดาทุกพระองค์มีท่านท้าวจารเปิดมารทั้งสี่ ให้อินตะกะแล้วก็บริวานจะขอเครื่องจากกาักรละอาจเป็นสิ่งที่น้อยนิดนะักที่ข้าพพทธเจ้าคิดว่ามันน้อยเกินไปอีนแม้นบนลานนิจกรรมธรรมนับธาตในทุนปก็ตามแต่ก็ยังจัดจานน้อยนักเกิดเซื่อเชื่อเลยนะไม่จงมีคุณค่าเท่ากับตามดูที่ทุกทุกระองทังหยุดยืนให้เลยแต่ข้าพเจ้กาก็จะพยายามที่จะกระทใจของตนให้ชนะ อำานจาจแห่งกิเลสปัญหาสุปัชฌาและอภิปัะฌรทำให้จงได้ในภาคนี้เพื่อสวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาภาพผู้มีพรคุณใหญ่คื่ท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่และท่านทั้งหลายที่มีคนต่อเราให้ท่านได้ยืมให้ท่านได้มีความตกใจแหเรามีจิตเต็มด้วยความผ่องใสเห็นเราไม่ต้องกลับไปทุกข์อีกต่อไปแล้วเคยได้สวายต่อท่านทุกขพุทโธไหม้ แล้วก็ตั้งมโนปฏิทานว่าข้าพระพุทธเจ้าจไม่ทอดสุละเอาชีวิตจนเดิมพันดามที่เก่าวนั่นวาจากล่าวไว้พันเจเรียพระกรรมฐม า, านาอิปมาหังพะควาอัตภ า, าววังจงหาการปริจจามิข้าพเจ้าจะยอมมอบกายสวายชีวิตเพื่อได้ปฏิบัติตามคำต่งตงองขององค์พระธรรมสา ม, มาาิขิ์อย่างแน่แน่เก็บเกี่ยว เม่่จะตั้ง เ, เรื่องราวและอคต ล, ก, ลการใดมขัดมเพียใดไม่ว่าจะเจอสิ่งใดที่คอยดัารกาลังใจอของเ้าพระพเนนจ้าเพียงไหนสิ่งลายเร่านี้ไม่มีความหมายไปยิ่งกวา่าสิ่งที่พระพุทธองค์ได้เปด้วยกรรมจนมนกายาของพระองค์ได้ตามเพียนมาอย่างยิ่งกว่จะได้ค้นพบก็จ ะ, จะทำค้นพบขนทานแห่งความเปนก มันช่างมากมายของความทุกข์ทั้งหลายที่ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะเปรียบเทียบได้ดังนั้นจิงที่ข้าพระองค์จะต้องจัดตบมันเล็กน้อยเลเกินมันไม่ได้เสอเอสียวเหมือนช่งที่องค์จะต้องเสื่อเสียมันมากมายในสไห น, ไไหนที่องค์ทรงเจริญพระชาติดำเป็นบารมียุ่เพียงเท่านี้ที่มีกำเกิดขึ้นต่อข้าพรเจ้ามันไม่อาจจะมาฝังใจของข้าพเจ้าได้ จะจะม่งตรงที่จะไม่กลับมาเกิดเดินทั้งหลายที่ทำมาทั้งหมดที่จะทำดูแล้วก็ดีจะตั้งใจทำเด่นหน้าต่อไปก็จะทำเพื่อยงประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับข้าพพุธทธเจ้าก็าจะได้เดินทางได้ฟังข้องตัวรักราบรื่นปฏิบัติใจด้วยอย่างสะดวกสบายในวิญญาณที่เต็มไปด้วยความไม่แม่นอนอย่างนี้าข้า พ, พทาุทธเจ้าและถึงเจ้าความดูแล อากาจนลอากาจลการต่างๆที่มีอยู่มากมายมันคงจะคับผมตัวเราให้จมลงไปในก้อนลึกนันตกอยู่ในอเวจีฉันนั้นแต่ข้าพระพาเจ้าโชคดีที่ได้พบครูบาอาจารย์จิตเดชคุลหลวงพ่อพบคำสั่งสอนที่ประเสรนะิฐนกสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงนำมาปฏิบัติเป็นเครื่องครับเอาจปนเอาจัง ก็กลจังไว้ว่าเป็นขนาดที่เราได้ลัน่นวาจากระทําล ง, งไปทั้งหมดเพื่อการไม่กลับมาเกิดถ้าเจ้าจิตจะไม่มีกําลังภายในใจเจ้อของเธอเพิกเฉลิมยีความจิตเราสู้เราจะไม่ยอมห่อแพ้กระอุปสตรคที่สังขารร่างกายมาเป็นอุปตะที่ความวุ่นวายทั้งหลายรอบตัวเรามาเป็นอุปสรค เคือบันทอนความศักดิ์ของเรามาเป็นกประจำสิ่งนั้นจะไม่มีความหมายในใจของเราทต่อไปถ้าไม่ทานเท่านั้นเป็นพงัยของเราเป็นสิ่งที่เราต้องไปคว้าเอามาให้เป็นสมบัติาให้ได้ในชาติถัดไปและจะนําสิ่งนี้เนี่ยไปประกาศให้ทุกท่าข้าพระพุทธเจ้ากระทําเกิดขึ้นแล้วขอทุกทุกคนจงได้โปรดหมั่นนานและยินดีเชื่อไหมว่านาวันได ให้ใจงเธอเข้าถึงซึ่งความเป็นอารัตนผลก่อนที่เธอจะละอัต้าไปนักเวลานั้นเธอจเห็นครับพระเจ้ายังต้องเสด็จมาเพื่อจะรับเธอไปถ้าอรหันทั้งหนก็ยังต้องมามาเพื่อจะลับเธอขึ้นไปตรงเวลาทั้งหนก็มารลงอนุโมทนายินดีกับสิงที่เาได้กระทำรับเธอขึ้นไป ไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กถูกไหมเพราะเราจะได้รับพระเมตตาจากองั์พระ菩萨ประดาะดมาริ่มรับเราซึาา่งมันเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมเพระพระเจ้าจะกระบดกมารับเราพระอรหันต์จะมารับเราขึ้นไปเจรานานังฟ้าก็จะมายินดีร่วมรับเราขึ้นไปด้วยพระอิปานแลวทุกคนนั่นแหล ที่ทำถึงที่สุดได้ไม่ว่าใครพระรพุทธเจ้าก็จัดไม้เมอตาโปรดมารักทุกคนเสมอโดยเพระรพุทธเจ้าเป็นของฟ้าจะได้เห็นพระอารามทั้งหลายเห็นชมเห็นเจวดานางฟามากมายนําโดยกภาพตัวสิสิ่งนี้เป็นภาพการตามเป็นจริงจะต้องเกิกขึ้นเช่นนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนเราจะภาพควรใ้ว่ า, งวาไง สิ่งที่เราได้จะทำได้ตามยากลำบ า, ากตอเราจะได้ออกมาที่ตามใช้ชนะใจตัวเองสนะกิเลสปัญหาชนะการยึดมั่นใหม่มั่นในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราชนะ ใ, ใจที่จะคิดทำตามเั่วพู่ชัวอย่างนี้และชนะอุปสรรคม น, นานาการที่จะชดล้างใจเราให้ลงไปย่ำตัดลงไปกระทำกรรมอันไม่ควร ลงไปใน เ, เสเ้นเสียเส้นทางที่คนจะเดินไปเกิพความลี้ภัยณวันนั้นจะตะโกนใจตัวเธอรับอะไรหนะออัศจรรย์ขนาดนี้เลยหรือเราสําคัญขนาดนี้เลยดิสำคัญขณะที่พระพุทธเจ้าต้องเสด็จมารับเราเลยเฉลยพระอาหารต์้องมารับเราเลยเฉลระพุทจต้องมารับเทวดานังฟ้าต้องมารับเราเลยเฉลย เาจะมีความรู้สึกสห็นสิงนี้ไหมนะจำไว้นะเป็นสิ่ ง, งะะนะที่เร า, าควรจะภาคภมใจว่าเราพยายามทํำถึงมันจะยากถึงมันจะต้องมีอุปสรรคถึงเวลามันจะเป็นได้บ้างน้อยบ้างแต่เราก็จะคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องทําใจมาให้จึ้งอสศาว์สิริให้ได้เราจะต้องให้เป็นเหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อนในอดีต แต่จะต้องไม่มาพกพกตามต้งหมองแต่ต้องไม่พกพกตามอยากของเราแต่ต้องไม่กลับมาพกพกการยึดมั่นหมมั่นไนส่งที่ไม่เราไม่เชอของเาอีกแตากต้องไม่กลับมาพกพกความโง่ที่การทำเนี่ยอัปยศแล้วกันทำให้เราต้องเกิดทุกข์ท่าหาความสุขกันไม่ได้ปัลานี้มันจะไม่มีกับาอีกต่อไปถ้าเคงมีกับเราเราก็ต้องุกเมื่ออย่างเราแล้วมาุกถนัดตะกันในท่า คิดแล้วไม่รู้จะคิดคาแม้จะในอดีลที่ผ่นนนนานมาเวลาที่ผ่านมานี่เช้านี้สายนี้ที่เราเมีความทุกข์กขมี่ตามกระตับกระใสในใจเนี่ยกระเกิดเก่าเนี่ยยังมองไม่เห็นความจริงเราละเพิงความดีเราละเชิงในสิ่งที่พระพุทธเจ้ า, าครูบาอาจารย์สอนเราเละเช่งความดีสิ่งนี้ไปเลยทาให้ แรงอค ก, กิศัลยกรรทั้งหลายแรงของความเศร้าองแรงแห่งปัญหาทั้งหลายแรแห่งอปุปทานทั้งหลายมันมาครอบงำใจเราเมื่อเช้าเราจะมีทุกข์เรจะมีความไม่สบายใจสายเยราจะมีความทุกข์ใจเรื่องมาเรื่องนี้เรื่องนู้นจ่เรจ ะ, จะกลับเป็นอย่างเดิม อ, อีกไหมไม่เอาปัจจุบันนี้จะต้องละความทุกข์ให้ได้อนาคตยึ่งจะต้องให้เป็นใจตาม ตามฝ่าธรรมะของเราให้จงได้นั้นปัจจุบันเราชน ะ, ะได้อย่างไม่มากแต่เราต้องพยายามทำของเราให้ขึ้นไม่ใช่มาเฉลี่ยวตัวแล้วก็ไม่ใช่มาตกต่ำประเด็นไม่ว่าอุปสรรคมันจะมากแค่ไหนไม่ว่าแรงกรรมมันจะมาฝาังลอกเพียงใดภายในใจของเราลึกๆแล้นไม่อยากขอถอนตามดีเลยไม่ไปทำละทําความชั่วต่อไปทั้ง ต, ตัวว่าจะขาด ลรประกาศตัวแลาว่าความเชื่อทั้งหลายทั้งกายวาจาใจไราจะไม่เกิดประทุขึ้นมาในใะจของราอิกนักแต่แบบนี้เป็นต้นไปเราจะไปผ่านขอริมานจงได้ปรากฏเป็นแดนไรผ่านให้ข้าออกไปไปจะได้เห็นตามความเป็น จ, จริงแท้เกิงตันใจด้วยเถิดกระเบื้องเบา่า อาใจของเราเข้าใจรับรู้นะถ้ามีภาพได้ก็มีไปไม่มีก็อย่าคิดว่าเราไปไม่ได้เห็นไม่ได้เดวีที่ความไม่สึกอังใจคล้ายตาสยทิพนีเดวีความรู้สึกที่ใจเราหนีห น, หนี่เรารู้สึกมาหนีไหมเป็นที่มีของเราเซีรีมาที่เป็นที่อยู่อาศัยนั่นเป็นแค่เล็กน้อย น, น้อยนะมันไม่สําคัญหรอกเป็นที่สําคัญที่สุดคือเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้ว เหตุที่ทำคัญที่สุดเราจะไม่ทุกกับมันอีกต่อไปแล้วไม่มีอะไรมากำเริบใจเราอีกไม่มีเชื้อที่จะบดยให้ใจเราทุกกับมันอีกต่อไปเราตึ่งทุกข์ดับตื้นเชื้อใจแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เราภาคภูใจยิ่งใจมีวิมานเสีกอีก น, นี่เป็นงแค่ผลพลอยได้เล็กๆน้อยจะเป็นไปตามอำนาจแห่งความตให้ปรากฏต่อเราวิมันก็จึงปรากฏให้มี แล้วนีิมานของเราเสียวสดไม่งามอย่างไรในความรู้สึกภายในใจของเราเราก็รับรู้ได้อย่างนั้นยิ่งเวลาไหนเราสงบตอนนี้จิดใจเราสะอาดปอนนี้เราจะเห็นชัดตอนนี้บางใสตอนนี้เสียวสดไม่งามยิ่งไปตอนนี้จิตมื่มันค่าเกิดวเชี่ยวนะอย่าว่าจะเสียวเจี่ยวแค่รู้เลยนน้อยมากเล็กน้อยเกินไปที่จะได้สัมผัสถึงช่วงขณะเวลานี้ ของจรงเกินกว่านี้ละเอียดตาเกินกว่านี้ใส่บางกว่า น, น, นี้ที่ตามสุกยิ่งกัง่านี้นับประมาณข้าไม่ได้อดทนกันนะอีกไม่นานนักหนอ่อกิจวงตยานก็จะออกจากร่างนี้ไปแล้วตามใจไม่ได้างนี้นมีเครื่องหมายอะไรกับเราเราจะพบสิ่งที่เป็นความสุขที่ไม่สุขอะไรดิมให้เราต้องกลัา ไปทุกต่อไปไม่ใช่วามตกเป็นแค่สวรรค์ที่เป็นจริงๆโิดาหังฟ้าที่มันจะไม่ได้เลดันหาจะคอยดึงให้กลับไปทุกข์ิตไม่มีที่พึ่งติ ด, ดไม่ใช่สาสวยามกแค่สมบโลกที่เคเป็นทางสัมมาดาแล้วเมื่อคลายสมาธิมันก็ยังเป็นกลเลดกันหาไปสร้างทก์กัเราต่อไปในจกักรักร่ิ้นพอกันขีจัเป็นใจอย่างนั้นได้ไหมได้ ในเสด็จที่จะมอาศัยของเราใหม่พระององรูปพระสงฆ์พระองค์เสียพระจอมแด่ปรมาสัตสดาโดยะท่านทั้งหลายที่ทงแมายสาองอ ม, มาปรากฏโดยลงปูงพ่อโดยท่านผู้มีพระคุณและก็โดยตัวเราเพื่อจะอยโลกนเพื่อเป็นอิกิพีนิ่งไมจอกิจวุนญาย เมื่อใดที่ใจของเราได้ไปจัมผัสนี้เจ้าขนาดจิตหนึ่งเวลาหนึ่งเราเมันพ้นแล้วจะ่อำหน้าใดใดที่จะดึงเราให้เกิดความทุกข์แล้วไม่มีอํำนาจแห่งความเจา้าหมองไม่สิ่งใดที่ทําให้ใจเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่สนใจธาตุขันเวลานี้แล้วธาตุขันจะเจ็ดจะปวดจะไม่ ย, ยังไงก็ไม่ดึงใจใหเราเกิดความเศร้าหมองแล้วถ้าความเศ้าหมองก็ไม่เกิดขึ้นเพราะการที่เรายัง อยากโน่นอยากมี่ขึ้นมาทำให้ใจเราเป็นทุกข์แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรต้องอยากไม่อยากเป็นมนุษย์ไม่อยากเป็นเทวดาไม่มีความพอใจที่จะปนสมมนุษย์เป็นพรสมหรือจะไปเป็นสุพรรณแดนไม่มีความอยากในใจเราแล้วสิตนี้จะเกิดใจเรากลับมาทุกข์ไม่ได้แล้วเลยนะณเวลานี้การที่ยึดมั่นในนั้นอะไรเป็นสุขยิ่งปานิพานไม่มีสำนึกเราแล้ว จำไว้นะตัง้งพยายามเตือนเต็มไว้ให้หมากๆเราพุกขพระอะไรความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ที่เราจะนักรรมธรรก็มีความทุกข์ในใจเราเมื่อเช้านี้ก็มีความทุกข์ในใจเราแล้วมันทุกขาะอะไรลองย้อนไปด้อดีตสัญญาทุกข์ร่างกายมีไหม มันทําให้เราเข้ามองไหมคือก็ตามแน่นอนมีไหมที่เราไปวิจถตรว่ามันจะเป็นแบบนั้นคือก็ตามอยากให้เรามีไหมที่ทำให้จุตขอเรากระจับกระแสนอร้อนมีไหมคือก็กาวาจาใจของเราคิดในสิ่งไม่ดีมีไหมถ้าเราให้อนาคตเป็นอย่างนี้จิตเราก็ต้องทุกข์ในอย่างที่ผ่านมาทุกวันก็เป็นแบบนี้ทุกเช้าสายบ่ายค่ำก็จะเป็นยันอยู่กับความคิดอย่างนี้ทุกอย่าง เมื่อเราลังตกอยู่ใน่แห่งอาบายภูมิอย่างนั้นีเดียวเราจะย่าให้ตกนใจเป็นอย่างนี้ไหมอยาไม่ต้องการไม่เราไม่ต้องการองรักตัวเราเองมากๆรักที่จะปฏิบัติใจเราเองมากๆรักที่จะคอยคิดคพิจารณาเอาคาสั่งจากพระองค์เ่้าพระศาสดาสมรถสัมพุทธเจ้ามาเตือนใจเรามากๆอย่าปล่อยตละเลยให้ใจเราหมดคิตดึงใจให้เศ้าหมงคิดเพ่ตัวตัวยายา เป็นเกิดตามตศร้าหมองในใ จ, จนเราเป็นทุกข์เราไม่ควรจะทุกข์อย่างอียวังนี้นทุกแค่นี้ทุกนี้ไม่ควรจะทุกแบบนี้มันควรจะลดน้างในในใลงไปไม่เศร้ามากประเดิจมจะจงกราบขอบพระคุณองค์พระพุธนะทธสัมมาสัมพุทธเจ้านะกราบขอบพระคุณทุกุพระองค์ที่มตตาสงเราะห์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายกราบขอบพระคุณทรงะเจ้าดาทีเา่เมตตาเสด็ประประักษาคุ้มครองข้าพเจ้ามา ขอพุกทุกโโองค์ประกอนัโมธนาจะโปดสงเคราะห์ให้ข้าพระพุทธเจ้ามีกําลังจิตอันเข้มแข็งเจ็ดเดียวกล้าหาญแน่วแน่มั่นคงจับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิงใดที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้มาจงอยู่ในใจของข้าพระพุทธเจ้าสามารถหยุดใช้ด้วทุขกขณะจิตไปอย่าได้มีอารมาจุดมาบังมาขวางอัดแรงอักเสบและกรรมใดๆไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนจงอย่ามาบั่นท อ, อนปัญญาของข้าพเจ้า จงอย่าขัดขวางในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้มาจากพระพุทธเจ้าครับและพระอริยสงทั้งหลายขอให้สิ่งนั้นจงสามารถหิตเอามาใช้ได้ทันท่วงทีระณะดับเร่งความกระสับกระสายในใจของข้าพเจ้าอย่างเห็นผลโดยทันทีขอว่าระมืพระองค์โปรดใช้สิ่งในสื่อธรรมศาสดาโดยโปรดเจดครอบขุมกายของข้าพเจ้าควบคุมดวงจิตของข้าเขอพุทธเจ้าให้มีสติตั้งมั่นอยู่ทุกขณะจิต ถ้ามีกำลังจิดเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและกล้าหัญมีกำลังปัญญาเป็นเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดจากกิเลสเป็นสมุดรเกิดกาหังเข้าถึงความขึ้นทุนกข์ดับตึ้นโจยอย่างรวดรอวและง่ายดายในชาติติบันี้โดยสดแล้วก็จะเจ้ค่ะอ้าวจับล้าันลงมานะ แต่นชื่อสมก็ิ์สม ก, กันนะมันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยนะสุดไทยสุดใทยเอยคนที่ทตายไปแล้วจะเป็นหนูญาติเราเขารอรับบุญของเราวันนี้ไปอย่างเต็มที่นะนญาติของใครตายก็ไม่เซื้อเอานะแต่ถ้ารับในสิ่งที่เป็นบุญเป็นอันใหญ่ที่เธอทาก็พระกรรมฐานก็ดี เป็นที่เจริญดุลนั่งสงนทุบาปทุกประการของโธเนี่ยที่ทามาแต่ชั้นทั้งหมดมันเนทั้งวิหารคานธรรมทานสังฆทานสร้างพระธรรมนิสทุกอย่างที่เป็นเบญจสาวกศาสนาทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แห่งหนูจนทั้งหลายมันคนละศักดิ์ทุนทั้งหมดหลายๆในที่เธอได้กระทกับทำมาตั้งแต่อดุจจนถึงปัจจุบันก็จงเป็นเบญของเธทุกคนื่อเบญที่เธได้กระทามาก็ดีจงได้มารวมกันในวันนี้ ตั้งจิตให้แนะ่ทุทกจสดสมต่า ง, า ง, นะางารรมีไปนะอิทาบุญญาพลังผลมาบุญใดที่ข์พระเจ้าทั้งหลายได้ดำเป็นแล้วณโอกาสนี้เขาเปทุกจุดกุศล น, รรนี้ให้แ ก, ก่ท่านระกรรมในเรืทั้งหลายขอให้ท่นานทั้งหลายได้โปรดเมทนา โปอาโหติกรรมให้ต่อข้าพเจ้าถ้าแต่ดัชนีปราดเท้าวพ่าเสีิานและอฤทจิ์กตตนี้ให้แก่ ท, ที่พเจ้าทั้งหลายที <w> ่ตการักษาข้าพเจ้าและที่พเจ้าทั้งหลายเพื่อสากิพกและพญายมราช ข้าพเจ้าทั้งหลายนักญาญญาณราโปรดเมตนาโปรดเป็นสักขีพยานในการบำเพ็นกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้โดยเปิาและขออุทิศสุขโยมนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยตามสุกหยุดก็ดีสวยตามทุกหยุดก็ดี เป็นญาติก็ดียึติใา ก, ก็ ด, กกดีขอให้ทา่านทั้งหลายเปิดโนาเป็นเอรับประโยชน์ความสุขเชื่อพระเจ้าจะเป็นเน้รั บ, าาบนาการระบาดอยนี้เถิดเป็นบบนื้อบรรที่ขระพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็แล้วานาโอกาสนี้ ขอผลระบนี้ยงเป็นปัจจัยให้เข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงต้นพระนิพพานในชาติสติดำโดเกิดอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระโกวานปุถังพะกวานตามอภิวาเทมิ ปยาค้าตพระกวาตาปเนรอามังนัมตะอาณีเศตพิตรนงพ k ะคาวาโตะสาวาตสังโฆสังขังนัมามิวันนี้นะทุกคนเลยนะ